ปฏิบัตหม่ใมีคำวันท่าทางทําถูกหรือเปล่าใหม่ใหม่ก็อาจจะกลัวนะกลัวจําท่าไม่ได้นะสิบสี่ท่าบางคนก็ลืมบ้างหนะองบ้างก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่แรกแรก็อาจจะเป็นเกงเนะป็ปนเกงกลัวไม่คปอยแน่ใจเนะ ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราติดปกตินะแต่หลายคนก็เป็นแบบนั้นเราริงก็กลั ว, ลวแต่บางคนก็น่นจาจะกลัวผิดท่าแล้วบางทีกลัวหลงกลัวคิดกลัวฟุ้งซานอะไร น, นะสังเกตนะบางทีผมกลัวมเกิดขึ้นนะพอเรากลัวบางทีพอไม่มั่นใจยี่ไม่มั่นใจก็ ทำผิดใช่ไหมให้<ๆ>ใแน่ใจแก็ทําผิดหรือบางทีเรากลัวหลงนะเรากลัวขาดสตินะเราก็พลิกยิ่งเพ่ง <c oughs> จ้องเนาะตั้งใจมากเกินไปนะกําหนดมากเกินไปนะเราตําสเทือตัวเราเนาะบางทีใหม่ๆมันจะมีความกลัวนะความไม่มั่นใจนะมันจะทําให้เราเครียดเนานะ ลองดูสังเกตดูตัวเราบางทีมันเราทําให้ตัวเราเครียดเกินไปไหมนะโดยการที่ทั้งใจเกินไปเนะสังเกตดูตัวเราแล้วก็ถ้าเราเห็นว่าใจคเครียดนะให้ผ่อนคลายนิดนึงบางทีเราก็เครียดแล้วก็หายใจแบบไม่สบายนะสังเกตดูปฏิบัตาธราหายใจสบายไหมนะหน้าตาเราเป็นแบบไหนนะ หน้าตาเราเกรง็งคิ้วฝุกโบไหม <c oughs> าหายใจผ่อนคลายไหมนะยกมือไปบางทีมันก็เกร็งกันไปไหมนะ่ะเดินอเดินมันเมื่อยไหมบางทีเราไปเดินมาหลายสิบปีเนาะไม่เคยปวดเมื่อยขนาดนี้บางทีพอ เ, เดินจงกรมนะอาบางคนเดินชา้าเดินไปเมื่อยนะอ่ ถ้าเรารู้ว่าเดินแล้วมันเมื่อยก็เดินให้สบายขึ้นการการจับมือนะก า, าที่เดินก็ให้มันพอดีพอดีน ะ, นะยกมือก็เหมือ น, นกันนะยกดูให้พอดีแต่ให้มีจังหวะจังหวะเคลื่อนจังหวะหยุดอจังหวะเคลื่อนแล้วก็หยุดนิดนึงให้มันรู้ทีละครั้งดู รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้ทีละัำนะแต่ไม่ต้องพูดคําว่ารู้ในใจนะรู้แบบเป็นกิริยาเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่เราเรารู้สึกนะไม่ต้องหลับตานะลองมอง เข้าใจอยูะบางทีหลับตาแล้วมันรู้สึกสงบรู้สึกว่ามันเห็นชัดนะแต่ที่จริงเราจะเห็นชัดหรือไม่ชัดสงบมากหรือสงบน้อยไม่ไม่สำคัญนะเท่ากับเรารู้นั่นอย่างชัดมากก็รู้ว่าชัดมากชัดน้อยก็รู้ว่าชัดน้อยชัดปันการก็รู้ว่าชัดปันกลางสงบมากหรือน้อยก็คือที่จริง รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละดีกว่าอย่างเช่นน่กลางวัน่แดดมันออกมากๆเราก็รู้ว่ามันมันสว่างตอนเช้าเช้าหมอกมันมัวเราก็รู้สึกว่ามันมัวจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจมันเป็นแบบไหนก็รู้อย่างที่มันเป็นน่ะไม่ต้องพยายามอยากให้มันชัดตลอดอยากให้มันดีตลอดเนะอืมอยากให้มันสงบตลอดก็ไม่ อันนี้คือความอยากของเรามันเป็นทําให้เราบางทีตั้งใจไปแบบนี้นะผ่อนคลายสักหน่อยอแต่บางคนผ่อนคลายแล้วก็คิด <c ười> คิดยาวนะตอนนั้นก็ต้องตั้งใจนะอือันนั้นไม่ใช่เรียกว่าผ่อนคลายนะเรียกว่าหลงนะหลงไปคิดยาวนอ่ก็ต้องกลับมาตั้งใจนิดนึงนตั้งใจว่าอืม การเคลื่อนไหวก็ทำให้มันชัดเจงขึ้นอกระทบบางทีก็เพิ่มความรู้สึกเขาเ้าไปได้ตับเปลี่ยนท่าทางได้น ะ, ะการยกมือเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนความชา้มันพอดีสายตาเราก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบองศา เดิมตลอดนะเป็นครึ่งชั่วโมงทีนันเมื่อยนะตาเมื่อยมองซ้ายมองขวาบ้างก็ได้นะอืคอเราก็เมื่อยนะตาเก็เมื่อยถ้าเราอยู่ท่าเดิมนะเพราะเจริญสติจริงๆคือเคลื่อนเปลี่ยนท่านะรู้สึกตัวนะเคลื่อนเปลี่ยนรู้สึกนะอืม เปลี่ยนท่านั่งก็เหมือนกันค่อคยก็เ ป, ยเปลี่ยนได้นะ อ, เ, อ, อเวลาเราปฏิบัติไม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องคิดว่านั่งนานดีกว่านั่งไม่นา น, นเนาะบางคนก็ร่างกายไม่เหมือนกันเนาะก็พอปวดเมื่อยพอสมควนก็เปลี่ย น, ยนแต่ขณะที่เปลี่ยนก็ เปลี่ยนขาก็เปลี่ยนยังมีสติเหมือนเราพลิกมือมันก็เหมือนเปลี่ยนนี่คือทำอะไรก็รแล้วแต่นะมีสติอยู่บางทีก็อาจจะกลัวบ้างนะเป็นบ้างไม่เป็นไรเพ่งบ้างก็ไม่เป็นไรปฏิบัติธรรมเหมือนเราเก็บเก็บอรเก็บเวลาเนะเก็บประสบการณ์เก็บชื่วโมองบิน <c oughs> นะอย่าคิดว่าบางทีเราเพิ่งมาทําเพิ่งวันเนี่ยมันจะดีตลอดนะ <c oughs> จะบอกให้ทําเป็นปีก็ยังไม่ได้ดีตลอดนะ <c oughs> อืมยิงนะบางคนเราตั้งใจมากเราคาดหวังสูงนะระวังผลเลิศนะคิดว่าเป็นจุบันทั้งต้องดีเลยอเป็น <c oughs> จริงมันก็สามารถดีเลยได้ถ้าเราพอใจแค่ปัจจุบันเ <c oughs> <c oughs> นะี่ยพี่รู้สึก ยกรู้สึกคิดไปรู้ทันกลับมาที่สุดตัวได้จริงมันถูกแล้วมันดีแบบนี้แหละแต่เราอย่าคิดว่ามันจะต้องคงที่น ะ, ะคิดว่ามันต้องถาวรนะมันมันก็กลับมาได้ทีละขณะแค่นั้นแหละถ้าเราพอใจแค่ปัจจุบันที่เรามีสติพอใจแค่ปัจจุบันที่เรากลับมารู้ตัวได้อันนี้แหละ มันก็เกิดผลทันทีเลยนะนะแต่บางทีเราเรามีความคาดหวังสูงว่ามันจะต้องสมบตลอดต้องรู้ตลอดอันนี้ให้เราวางความคาดหวังนั้นไปเมื่อมันเถือไปก็กลับมาใหมนะ่ไม่เป็นไรพยายามทําใจแบบไม่เป็นไรบ่อยๆมันจะได้สบายนะถ้าจะต้องเอานี้ได้ต้องดีตลอดนะต้องเกิดเต็มนะ บางทีคนเพอร์เฟกมากมันก็ทุกข์มากนะออืมาตรฐานสูงระเบียบจยัดตัวนั้นทุกข์มากนะอืแต่บางคนก็ไม่ยอมนะอื <c oughs> ไม่ค่อยยอมรู้ว่ามันทุกข์นะแต่ก็ปืนเนี่ยนะก็ปืน <c oughs> นี่แหละความทุกข์มันจะสอนเรานะ <c oughs> เมื่อไร่ที่เรารู้ตัวก็มันทุกขนะ์อันนั้นก็ดีละนะดีแต่ ถ้าจะดีขึ้นก็มีปัญญาในการปรับเปลี่ยนในการวางใจปรับเปลี่ยนในการวางกายก็ได้น ะ, ะ, ะบางทีเราทุกข์เพราะกายเราเครียด ก, นะก็ปรับเปลี่ยนกายก็จะช่วยให้มันผ่อนคลายขึ้นแต่ตอนเช้านะก่อนที่จะไปพักทานอาหารใส่สมสัยอะไรไหมอยากจะทาก่อน ามได้นะครับคถามสองคมทามก็ได้ก่อนก่อนทานขาเที่ยงนะมีไม well, ่ปนใหม่หรือว่าปนเก่าเข้าใจดีหรือไม่รู้จะตามงใจค่ะค่ะเราจะรู้ยังไงว่าอันนี้เรากาลังเพลงอยู่หรือว่าเรา ปกติอยู่อะค่ะบางทีทําไปแล้วรู้สึกสับสนว่าเราเพ่งอยู่หรือว่าเรารปกติอยู่อ่ะค่ะเราจะต้องยม ต, ต้องรู้สึกที่ตัวเองอะว่าใจมันเป็นปกติหรือว่าใจมันคล้ายเหมือนตั้งใจมากหรือจ้องมากต้องต้องด็อสังเกตดูตัวเราแต่ถ้ามันเพ่งแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วก็เราก็ทํำไปเรื่อยนะเยน่ะคราวนี้อาการกายเมีอากะเคลืน มันแน่นๆ่นมันหายใจไม่ค่อยสะดวกหรือบางคนก็ปวดหัวอันนี้คืออาการที่พอมันเพ่งมากๆมันจะเกิดความเครียดทางกายแต่ถ้าเพ่งแรกๆเพ่งแค่ยังมีสัดสมนานเนาะเจ็ดลองดูสึกลองสังเกตดูว่าเรามันผ่อนคลายหรือเปล่าเวลาเราทำนะสังเกตดูหรือกลับมาดูหน้าตาเรามันมันเป็นแบบไหนอืม บึ้งตึ ง, ตงหรือว่าปก ต, ติต้องสังเกรงตรดยโยมถึงไม่มีใครบอกก็ได้นะว่าถ้าจะดูแค่ภายนอกแล้วจะบอกว่าโยมเพ่งเกินไปเนะี่ยบอกไม่ไดแ้แต่เราต้องสังเกตดูว่าเช่นนี่หัวสมาเพ่งเนาะ <c oughs> น, นี่คือเพ่งมากๆเลยนะ คือ <c oughs> มันจะรู้สึกว่าเราพยายามจะสํารวมกว่าปกติพอเราปฏิบัติธรรมเราจะทำท่าแบบสํารวมมากๆอันนี้คือตั้งใจมากเกินไปเองแต่ถ้าผ่อนคลายขึ้นก็ รู้สึกกลัวกลับมาร้างมันเป็นลักษณะเนี้ยค่ะที่จะเป็นดูเป็นหวั่นที่จะสับสนกับออกตัวเองไอ้ตรงเนี้ยค่ะว่าเอ้เราเพ่งว่าเราปกติหรือว่ากลับมารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนตอนที่เรารู้ว่าเราเผลอไปตอนที่เราร้างแล้วก็เผลอไปอนั้นอ่ะมันพอดีแล้วแต่ถ้าเรามีความกลัวว่ามันจะกลัวมันจะเผลอไปอีกนะมันจะกลายเป็นเพ่งจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะไอ้คนี่ราล้า ง, างแล้วเราเผลอแล้วเ ร, ววามมาาราพอเรมาร้างเราก็จะจ้า อ, อยู่ที่จาว่าเราจะต้อ ง, งล้านก็ต้องล้าง เราก็เลยไม่แน่ใจว่าเรารู้สึกตัวเพื่อจะทําแต่ว่าเราเพ่งที่มันจะลางเงยก็สนใจมันก็จริงที่จริงความเผลอกับความเพ่งบางทีมันมันสวิสกันแบบเร็วมากเช่นพอเราเผลอไปแล้วเรารู้ทันน่ะที่จริงตอนตอนที่รู้ทันเฉยๆนี่มันพอดีละแต่บางทีเราจะมีความอยากไม่อยากไม่อยากให้มันเผลอไปอีกนะมันจะกลายเป็นเพ่งทางสายกามันบางทีมันเส้นเส้นตรงกลางมันนิดเดียวนะ เราข้ามไปข้ามมาบ่อยๆบางทีกลับมาอยู่ตรงกลางแป๊บเดียวก็เผลอไปอีกเผลอไปคิดอีกละเผลอไปเข่งอีกละมันมันมันแป๊บเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปคิดว่าปฏิบัติแล้วมันเราจะต้องการตลอดถ้าเราคิดว่ามันต้องการตลอดเราจะเมื่อยเหมือนเราขับรถอะเราอยากจะให้มันอยู่ตรงกลางตลอดเราจะเกรงพวงมาลัยจับไว้แบบเกงเลยนะให้มันตรงตลอดนะ เอาง่ายเหมือนเราอยากไปเดินตรงมันจะดอยนะมันเดินยากนะแต่ถ้าเดินสบายๆเนะี่ยมันก็อาจออกนิดออกหน่อยแล้วก็จะกลับมาผ่อนคลายกว่าขับรถก็เหมือนกันเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างนิดนึงแต่เรามีสติประคองไว้มันก็จะกลับมาได้ปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเราไม่ต้องกลัวเจ็บเพ่งบ้างเผลอบ้างเนะี่ยปล่อยเป็นตามธรรมชาติแล้วจิตที่มันจะรู้เองว่า เ, เพ่งเป็นแบบนี้เนาะ เผลอเนแบบนี้เนาะพอจิตมันจำสภาวะได้บ่อยพอมันออกไปนิดนึงอ่ะมันจะตกกลับมาเองเนาะแต่ตกกลับมาเองแล้วความเผลอมันก็จะมีมาอีกไม่เป็นไรพอเรารู้ว่าเผลออีกมันก็กลับมาใหม่ก็ต้องสังเกตดูดูดูใจหรือว่าดูกายที่มันมันเพ้งเนาะอีกส่วนหนึ่งโยมอาจจะมีความความที่จริตมันเป็นความกลัว กลัวว่าเราจะทําผิดมันก็เลยสงสัยสงสัยว่าเราจะทำถูกไหมเพราะเรัเป็นเพ่งไหมอะไรอะไรเราเพ่กลัวมันกลัวไม่ดีอืมกลัวมันกลัวเพ่งมันกลัวไม่ดีนะมันไม่อยากมันอยากจะดีมันเป็นความกลัวตอนนี้หลายคนก็เป็นแบบเนี้ยมาปฏิบัติใหม่ๆก็รู้สึกตัวถูกหรือ่ปล่มเรามันรู้สึกตัวจริงหรือเปล่า อันนี้มันเพ่งเปล่าก็ก็สงสัยเหมือนกันนะสงสัยแต่สงสัยยังไงสงสัยก็ไม่ไม่พยายามคิดว่ามันจะถูกหรือผิดแต่ให้สังเกตสภาวะดูอืมสงสัยแล้วอ่ะก็รู้สงสัยลองทําไปแล้วก็สังเกตไปสังเกตไปอย่าพยายามไปหาคําตอบให้กับตัวตัวเองนะซึ่ยกันคิดว่ามันถูกหรือผิดให้ลองสังเกตสภาวะอืม พอเราสังเกตสภาพว่าแหละความรู้สึกนี่หละมันจะบอกเองว่าพอดีแบบนี้แต่มันอธิบายเป็นภาษาไม่ได้นะความพอดีเนะี่ยแต่มันถ้าจะใกล้เคียงไหนก็อาจจะเบาเบาสบายสบายแต่ไม่ใช่เบาแบบเบาเพลินนะแต่เบาสบายสบา ย, บายพอดีผ่อนคลายนะ มันก็จะดูแบบนี้นี่ถามพระอาจารย์นิดนึงตรงตอนที่เร า, าทำเจริญสตินะครับถ้าอย่างกรณีที่เราจับในเรื่องของขั้นตอนได้ครับถ้ากรณีที่เราทำไปโดยแบบมันมนเป็นโดยอาจจะดรามติอย่างนี้นะครับถือว่าเราเพ่งมากไปไหมครับขึ้นยกมือแล้วก็ ทำไปเพลินอะไรใช่ไหมใช่ทำเพลินไปอย่างนี้เลยเหมือนว่า ม, มันไม่ไมเพ่งอะไรนะคือสเสีย <c oughs> เดือยเพลินเพลิใช่มับเพลิไปเลยอ่าเพลินทําไปเรื่อยเสียงเดือยก็เป็นแบบนั้นโยมเหมือนครับมันโยมก็แต่ก่อนเนาะขับรถนี่นก็กลัวับกลัวล้มกลัวอะไรพอพักๆไปก็ไม่ต้องกลัวล้มแล้วคิดนั่นคิดนี่พู้นั่นพุ้นนี่ได้ใช่ไหมฮะ แล้วมันตัวนยียมันจะกลายเป็นเพลินพอเราทําอะไรจนข้องเนี่ยมันจะเป็นเพลินชเรากินข้าวก็กอกินจนเพลิน เ, เราแต่งวันเราทําอะไรก็ทําจนเพลินไม่ได้กลัวว่าคือบางคนคิดว่ามันก็มีสติดีนะเดินฉั้ก็ไม่ตกท่อไม่สะดุกล้มใช่ไหมกินข้าวก็ไม่กัดดิ้น อ, อข้าวก็ไม่ตกเลีราดมันก็เป็นสติระดับหนึ่ง สติราดั บ, บที่ไม่้ายว่าไม่ทําให้เสียหายมากแต่มันก็ขาดสติในแง่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราทําจริงๆส่นใหญเราจะอยู่กับความคิดจะเดินจะกินจะแปรงฟันจะกวาดบ้างจะทําอะไรจะล้างจานเนีเราจะไปอยู่ความคิดอันนี้แหละสําคัญคือเรามีสติบ่อยๆเราจะเห็นว่าใจจะเผลอไปคิดละเผลอคิดละ พอเผลอสติมันจะดึงกลับมาอยู่กับการน้ำยานแต่สักพักหนึ่ง ไ, ไม่เป็นไรนะก็กลับมาใหม่มันจะทำให้เรารู้ทันว่าที่จริงเราเผลอไปคิดเปนบ่อยแต่แต่ก่อนเราเผลอไปแล้วเราก็ไปอยู่กับความคิดก็เลยคิดยาวเลยแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เป็นแบบหนนะครับที่เป็นเหมือนว่ามันอาจะว่าเป็นสมาธิก็ไม่ใช่คนระับเพราะว่าคราวนี้ท่านอาจารย์ ท่านชิดท่านไปสอนให้ก็ส่วนมากก็ปฏิบัติกันได้สังเกตดูนะครับว่าหลายหลายคนก็ทำแล้วก็ค่อนข้างจะนั่งกันได้นานด้วยตอนที่ทนั่งนะครับแล้วก็จากที่ที่สังเกตดูครับว่ามันเป็ น, ม, นมันเป็นความรู้สึกว่ามันเพลินมันทำไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆของตัเองเลยแต่เราก็ท่านก็สอนว่าให้มีสติอยู่นะครับแต่ผมกลัวว่าเราจะไปหลงอะไรพวกนี้นะครับ คือถ้าเราสามารถดูมันได้นะดูเห็นเป็นการเคลื่อนจิตก็อยู่จิตก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวมันเนี้ย<อ>ก็ก็าเรียกว่ามีสตินะแต่แต่บางทีมันดลงไปบางทีเคลื่อนไหวไปแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ไปอยู่กับความคิดครับ<อ>ก็เป็นเหมือนกันนะมันก็บางทีก็เป็นมันขึ้นอีก่กับว่ า, วาตอนนั้นจิตมันมันรู้สึกถึงการกระทําหรือว่าจิตมันมันไม่รู้สึกถึงการกระทํา สติมันอยู่ที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราทําท่าได้นานหรือไม่นาน oh. Oh. Oh. อ๋ออืมครับเพราะนั้นแหละท่านี่มันมันเป็นเพียงแค่เหมือนรูปแบบเฉยมันไม่ได้มาวัดกันที่เรานั่งเล่นนานหรือเดินเล่นนับ oh. แต่ดูซิว่าที่จริงมันถ้าจะวัดก็แค่ขนาดเดียวนะที่จริงมันก็ไม่ใช่ว่าเรานั่งครึ่งชั่วโมง ช่วงแรกกับช่วงท้ายอาจะเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เราก็แค่พยายามรู้สึกให้มากที่สุดแต่ที่สำคัคือการสังเกตกายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้รนักแต่บางทีบางคนกลัวจะหลงก็เพ่นก็คือว่ามันไม่ได้เข้าไปรู้แต่มันเข้าไปอยู่กับการเคลื่อนเข้าไปอยู่กับการเข้าไปอยู่กับมือ ส่จิตมาอยู่ที่มือเกาะไว้ต่งจิตมาอยู่ที่เท้าที่ขาอัะนนะี้ยคือถ้าแบบนี้ยถือเพ่งประความนั่นะเป็นสมาธิแต่การรู้เนะี่ยดูดูธรรมดาครับพูดพูดถึงทางสายกลางก็จะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากนะครับในตรงต ร, ง ต, รงตรงนี้ครับใช่<บ>มันมันต้องมันเป็นเหมือนทักษะอีกอย่างครับเหมือนเรา เหมือนเราจะกดเราจะเขียนหนังสือได้คล่องแบบเนี้ยจาได้ไหมตอนอนุบาลตอนป .1 เนี่ยนะมันจะเขียนนี่มันเต็มบรรทัดดีดีนไม่ง่ายนะอืมแต่เราก็ต้องฝึกสจนกระทัง่งรู้สึกเอามันเป็นธรรมดาแล้วใช่อืมมั น, นแรกๆก็แบบนั้นแหละเราก็มันต้องตั้งใจมันต้องแบบเฉะออกไปบ้างนะแต่พอทําไปสักพักมันก็เริ่มชํานาล่ะ แต่ตอนนี้สังเกตไหมตอนเด็กแต่ที่เราคัดเรากลัวมันไม่สวยแต่จริงพอเราเห็นนะที่จริงเหมือนตอนเนี้ยภาษาก็เป็นเพียงแค่เหมือนในสื่อความหมายนะไม่สวยก็ไม่ถึง เ, เป็นไรแต่มันเข้าใจความหมายได้กิริยาในการสื่อขึ้นเหมือนกันแต่ก่อนเรากลัวว่าท่าจะผูกคือผิ ด, ดเราก็ทำํำเราก็ไปกิดที่รูปแบบแต่พอเข้าใจหลักแล้วนะไม่ยังเกี่ยวกับี่ท่าเลยอะ เคลื่อนไหวแบบไหนก็รู้สึกได้เดินแบบไหนก็รู้สึกได้แต่บาีเราพอเราไปติดที่ธาตุต้องก้าวขนาดนี้พอดีต้องวางหน้าแบบนี้พอดีต้องยกมือแบบนี้พอดีอันนี้เป็นรูปแบบแต่พอที่จริงเหมือนภาษาใช้แค่คือความหมายรูปแบบนี้ก็เพียแค่ใช้เป็นเครื่องลืกนรู้เฉยะเรา เราสร้างจังหวะเราเลยโคนเนี่ยถิงแค่เหมือนปุ๊กปุ๊กให้มันรู้ตัวขึ้นมาเพราะเพราะบางทีอย่างหลวงพ่อเทียนท่านจะย้ำบ่อยๆว่าบางทีถ้าเรานั่งกลับตาเรานั่งนิ่งๆอะ่ะบางคนนะบางคนก็จมกับสมาธิไปเลยแต่บางคนก็แบบสังเกตไหมใครเคยฝึกปฏิบัติแบบหลับตาถิงง่วงเขาก็หลับไปเลยนะอืมอืมหรือบางทีก็คิดไปเลย เดินไปอแต่ก็มีบ้านที่ก็รู้ตัวขณะที่นั่งก็ก็มีเหมือนกันแต่ส่นใหญ่ถ้าได้สมาธิก็จะทิมกับสมาธินะแต่การนี้นก็เหมือนปลุกขึ้นมาไม่ให้จมกับสมาธิมากเกินไปนะแต่เป็นสมาธิที่อยู่กับการเคลื่อนไหวมันจะเกิดความ้งสงบแล้วก็รู้ตัวด้วย แต่สงบนี้ไม่ใช่ว่าจะสงบแบบยาวตลอดแต่เป็นสงบจากการที่เราไม่เข้าไปจมกับคือเับคือเราเกาะกินลงไปยึดกิเลแล้วพอ ร, รู้ถันคือมันสงบเพราะว่ามันไม่มันไม่ไม่มีอุปทานก็คำถามสุดท้ายครับคือเวลาที่เราทำกิริยาหรอใจครับชอบประเภทว่า ถ้าเเดินไปแล้วก็พอรู้สึกตัวก็จะบอกว่ามันหลงอีกแล้วก็จะพูดนะครับแล้วก็บอกวกลับมาใหม่เนี้ยสันม่าจะชอบพูดแล้วไม่ได้ไม่ได้คิดในใจนะชอพูดพูดออกมาเลยนะพูดออกมาหลงอีกแล้วอือย่างนี้นะครับอืมสันม่าจะเป็นบ่อยครัก็ต้องไปพูดอย่างนี้ครับแต่ก็เหมือนว่าเตือนสติตัวเองเหมือนการบางอย่างแทนที่เราจะคิดในใจอ่ะ ส่นมาก็คือจะพดออกมาเลยเรามีแล้วอหรอนี่ครับก็ก็ไม่เป็นไรแรกๆบางทีก็มันเรียกว่าใช้สัญญาเนาะใช้ใช้สืกอบางทีก็ใช้ความคิดเข้ามาช่วยน่ะเตือนนะเตือนตัวเองแต่ก็ถ้าเราใช้เราก็ต้องรู้ทันว่าต่อไปเราจะพัฒนาในการใช้มันน้อยลงแบบนี้นักก็แรกๆก็แบบนึ้นก็ได้แต่ก็ดนหลังก็ ถ้าเราไม่รู้ทันมันจะกลายเป็นการติดอืมติดบางคนอย่างทําบริกรรมมันก็ติดทาบริกรรมวางไม่ได้ตรงนี้นะนี้เราก็ติดการกํากับเช่นพูดว่ารู้พูดว่าหลงตรงนี้มันก็ต้องวางไปเพราะจริงสังเกตเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยถ้ามันหลงตลอดเนี่ยถ้าเราต้องพูดตลอดเนี่ยมันที่จริงเยอะนะ <c oughs> แต่ถ้าจิดเราละเอียดเนี่ยออกไปนิดหนึ่ง มันมันไม่ทันเป็นชื่ออารมณ์เล้ซ้ำมันไม่ทันจะดูว่าอันนี้คืออะไรมันแค่แป๊บๆป๊บแป๊บนะมันจะเห็นไนะ อ, ไอันเนี้คือถ้าจิตมันละเอียดแล้วก็เร็วขึ้นมันจะเห็นก็ไม่เป็นไรแรกล่ะอาจจะไปแต่พยายามลดลงลดลงดูเฉยเฉยธรรมดาก็น้องก็ ไปลองฝึกกับการทานอาหารกับการเข้าห้อง น, น้ำนะกับการรู้ทันใจว่าจาเป็นต้องโทรศัพท์ต้องเช็คลายต้องเช็คเฟหรือเ่างนะนะนะีบางทีเราก็อยากนะนะบางทีเราก็เบื่อเนะบื่อที่อยู่เฉยๆนะอยากที่จะหาอะไรสนุกสนุกเพลินๆทำ อนี่ยก็เป็นติ่งทดสอบดูนะในคีบไปรจริงนะไม่มีใครแบบบังคับให้เราเดินนั่งได้ตลอดนะแต่เราจะคอยมีสติคอยรู้ทันตัวเรานะอืมว่าสิ่งที่เราทํานะทำเป็นเพราะอะไรนะจําเป็นนะหรือเปล่าขนาดที่ทำนะบางทีเผลอไปแล้วขัาดที่ทำก็ต้องรู้ทันว่าทําอย่างมีสติหรือทำเนี่ยขาดสติแม้ไม่ใช่แม้บางอย่างก็เป็นเรื่องที่ถูกนะ กินข้าวนะพ้กินไปบาทีก็เผลอไปก็พยานะยามฝึกใส่จิตเข้าไปในเรียบท่างๆตัอาหารเคี้ยวข้าวเดินเรียบทย่อยนะ่ะสำคัญถ้าเราสามารถมีเรียบทย่อยๆนะ่ะรู้สึกตัวได้ตลอดนะ่ยมันดีดีกว่าแบบต้องมานั่งยบมือเดินจงกงตลอดแต่ก็สลับกัน ระับกันนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็สังเกต ด, ดูเวลาใจมันเผลอไปนะเผลอไปคิดเผลอไปปุ่มแต่งต่างๆเพราะที่จริงปฏิบัติะเราจะดักทำงานคือย้อนกลับมาเห็นกิเลสในใจนะรู้สึกตัว ไ, ไม่ใช่แค่รู้ว่ากายเคลื่อนไหวรู้สึกรแค่กายเคลื่อนไหวตลอดเนี่ยนะนะถ้าไม่เห็นกิเลสเนะี่ยมันก็ได้แค่ความสงบความสบายความเพลินนะั่นเอง เพรจริงเราต้องเห็นกิเลสมันถึงจระรักกิเลสได้นะปฏิบัติต้องย้อนกลับมาเห็นตัวแต่ก็อย่าเพิ่งไปกังวลว่าอมันต้องเห็นละเอียดในตอนวันนี้ทันทีเนาะที่จริงมันก็จะแทรกขึ้นมาทีนี้ทีนี้ให้เราเกิดความเข้าใจตัวเองขึ้นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็กราบพระแต่ถ้าไกรทางอาหารเด็กก็จะมีชั้นบนเนาะจะไปเดิน ย่อยอาหารนั่งปฏิบัติก่อนก็ได้ส<ม> บ, บายโมงก็ามาเจบกันที่ดีกนะิน